กิเลสอาจทำให้เสียจริตการปล่อยให้จิตตกไปในอำนาจกิเลสมากเกินไปคือไม่มีการบังคับยับยัง้งย่อมเป็นโทษมากเพราะฉะนั้นแม้ว่าเรายังตัดรักตัดชังไม่ได้เด็ดขาดเราก็ควรใช้สติยับยั้งจิตในสิ่งที่ชอบก็อย่ารักจนเกินไปอย่าอยากจนเกินไปในสิ่งที่เกลียดก็อย่าชังจนเกินไปการรักเกินไปชังเกินไปย่อมทาให้จิตเสียภาวะปกติของตน จนถึงเป็นจิตเดินนอกทางละทิ้งจริตเดิมของตนเสียก็ได้คนที่จิตละทิ้งจริตเดิมของตนแล้วนั้นภาษาสามัญเรียกว่าคนเสียจริตหรือคนวิกลจริตในวงเล็บคือคนบ้าข้าพเจ้าขอวาดภาพประกอบดังนี้ภาพแสดงวิถีจิตมีเส้นตรงในแนวนอนขนานกันสมเส้นต่างระดับกันบนสุด ชื่อว่ารักตรงกลางเรียกว่าปกติล่างสุดเรียกว่าชังมีกราฟขึ้นลงขึ้นลงระหว่างระดับสามเส้นนี้เส้น3มระดับสเส้นนั้นสมมุติว่าเส้นบนเป็นอารมณ์ที่รักเส้นล่างเป็นอารมณ์ที่ชังส่วนเส้นกลางเป็นวิถีปกติของจิตตามที่เขียนคำว่ารักปกติชัง ไว้ที่เส้นนั้นๆแล้วเส้นจุดไข่ปลาซิกแซกขึ้นๆลงๆนั้นสมมติว่าความเป็นไปของจิตหรือความนึกคิดตอนใดที่เส้นจุดๆนี้พุ่งขึ้นข้างบนตอนนั้นแสดงว่าจิตกำลังพุ่งไปหาความรักเกิดความดีใจมากบ้างน้อยบ้างถ้าพุ่งขึ้นสูงมากก็แสดงว่ากาลังดีใจมากมีอาการหัวเราะตอนใดที่เส้นจุดๆนี้พุ่งลงข้างล่าง แสดงว่าจิตตกลงไปสู่ความชังเกลียดเสียใจโศกเศร้ารำพันถ้าพุ่งลงไปต่ามากก็หมายความว่าเสียใจมากมีอาการร้องไห้ตอนที่เส้นจุดจุดเดินอยู่ตามเส้นกลางแสดงว่าจิตอยู่ในระดับปกติในวงเล็บโปรโดเข้าใจว่าอารมณ์ทั้งปวงที่จิตต้องเผชิญนั้นว่าโดยย่อแล้วมีเพียงสองอย่างเท่านั้นคือ อิทฐารมได้แก่อารมณ์ที่น่ารักน่าปรารถนาหนึ่งอันิฐารมได้แก่อารมณ์ที่ไม่น่ารักไม่น่าปรารถนาหนึ่งเพราะฉะนั้นที่ข้าพเจ้าพูดว่ารักขอให้เข้าใจว่าหมายถึงอารมณ์ที่จิตชอบทั้งหมดที่ข้าพเจ้าพูดว่าชังก็ขอให้เข้าใจว่าหมายถึงอารมณ์ที่จิตไม่ชอบทั้งหมดและที่ว่ารักหรือชังนั้นต้องขึ้นอยู่กับความต้องการแห่งจิตของแต่ละคน ของสิ่งเดียวอาจเป็นที่รักของคนหนึ่งแต่เป็นที่ชังของอีกคนหนึ่งก็ได้ท่านจะเห็นบางตอนเส้นจุดๆดพุ่งขึ้นสูงจนเลยเส้นบนและบางตอนตกลงต่ำจนเลยเส้นล่างตอนนั้นแสดงว่ากำลังดีใจมากหรือกำลังเสียใจมากจนประคองจิตไม่อยู่แล้วจิตที่เป็นไปถึงขนาดนี้แล้วย่อมปราศจากสติอย่างที่เราพูดกันว่า คนเสียสติลงได้เสียสติแล้วก็เสียจริตด้วยคือทิ้งจริตเดิมของตนหมดเราจะสังเกตจริตทั้งหกอย่างจากคนที่เสียจริตแล้วไม่ได้คนเสียจริตไปข้างดีใจในวงเล็บเส้นจุดๆุดพุ่งขึ้นเลยเส้นรักก็จะมีอาการหัวเราะแสดงอาการดีใจมากจนไม่เป็นสัมดีใจวันยังคำ่ำ เราจะเห็นคนเสียจริตประเภทนี้แสดงอาการยิ้มและหัวเราะอยู่คนเดียวไม่รู้สึกโศกเศร้ากับใครเลยคนที่เสียจริตไปข้างเสียใจในวงเล็บเส้นจุดๆุดตกลงเลยเส้นชังก็จะมีอาการตรงกันข้ามกับที่กล่าวแล้วเขาจะแสดงอาการเป็นทุกวันอย่างค่ำเช่นบนพิรีพิรายหน้านิ้วคิ้วขมวดนั่งซึมงุ่นงาน บางครั้งก็ร้องไห้ไม่เป็นสัาการหัวเราะและการร้องไห้ตามธรรมดาของร่างกายย่อมมีทั้งการรับและการระบายเช่นหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกดื่มน้ำเข้าแล้วก็ต้องถ่ายออกเป็นปัสสาวะและเหงื่อจิตก็มีลักษณะคล้ายกันคือเมื่อรับอารมณ์เข้าไปแล้วก็มักจะต้องระบายออกเช่นรู้เรื่องอะไรแปลกปล ก, ก็ทนบอกเล่าแก่คนอื่นไม่ได้ ถ้าได้เล่าเรื่องนั้นเสร็จแล้วก็โล่งใจการแต่งหนังสือการสอนการแสดงปากฐกถาการสนทนาโต้วาทีเหล่านี้เป็นทางแสดงออกหรือระบายอารมณ์ออกจากจิตใจได้เหมือนกันคนที่มีความทุกข์ทรมานมากๆถ้าได้บอกความทุกข์ของตนแก่คนอื่นเสร็จแล้วในวงเล็บปรับทุกข์จิตใจก็จะรู้สึกสบายขึ้นรวมความว่าจิตไม่ใช่แต่ จะต้องการรับอารมณ์เท่านั้นแต่จิตย่อมต้องการที่จะระบายอารมณ์ออกด้วยในบรรดา ว, วิธีระบายอารมณ์ทั้งหลายนั้นการหัวเราะและการร้องไห้เป็นวิธีระบายอารมณ์อย่างหนึ่งจิตระบายอารมณ์ฝ่ายรักด้วยการหัวเราะระบายอารมณ์ฝ่ายชังด้วยการร้องไห้คนเราเวลาจิตกระทบอารมณ์อย่างแรงถึงแสดงอาการร้องไห้นั้น ท่อน้ําตาในวงเล็บซึ่งเรียกในภาษาสรีระวิทยาว่าแกลนก็จะบีบน้ําตาให้ไหลออกแม้ในเรื่องดีใจที่เป็นไปอย่างซาบซึ้งปลื้มใจมากท่อน้ําตาก็จะปล่อยน้ําตาออกได้เหมือนกันเช่นบางคนดีใจจนน้ําตาไหลก็มีรวมความว่าการหัวเราะและการร้องไห้ที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปนั้นเป็นการระบายอารมณ์ออกจากจิต และเป็นการแสดงระดับของจิตในขณะนั้นการสังเกตดูตามพระประวัติของพระพุทธเจ้าไม่ปรากฏว่าพระองค์เคยทรงพระสวนหรือทรงกันแสงเลยในวงเล็บมีแต่เพียงทรงแสดงอาการแย้มพระโอษฐ์ในเมื่อพระองค์ต้องการที่จะให้ผู้ใดผู้หนึ่งทูลถามเพื่อให้ได้แสดงธรรม ที่เป็นดังนี้ก็เพราะจิตของพระองค์ดำเนินสายกลางไม่กระเดียดไปหารักหาชังนั่นเองแต่จิตของปุถุชนเรานี้มักจะไปป้วนเปี้ยนอยู่กับความรักหรือกับความชังตลอดเวลาที่จะดำเนินตามสายกลางนั้นหายากเพราะฉะนั้นปุถุชนจึงมากไปด้วยการหัวเราะและมากไปด้วยการร้องไห้แสดงอาการขึ้นขึ้นลงลงวละนับครั้งไม่ถ้วนสรุปได้ว่า กิเลสเกิดขึ้นในจิตแล้วย่อมทําความเสื่อมโทรมแก่จิตได้หลายสถานกิเลสย่อมห่อหุ้มจิตมิให้บรรลุความดีทำให้การตัดสินใจผิดพลาดทําให้จิตดิ้นรนทําลายสุขภาพโดยทั่วไปและประการสําคัญอาจทําให้เสียจริตได้นี่ยกมาแสดงแต่โทษที่เห็นเห็นกันอยู่ในปัจจุบันถ้าจะกล่าวโดยรวบยอดกิเลสย่อมเป็นเหตุให้ทากรรม กรรมเป็นเหตุให้เราต้องเสวยผลการเสวยผลกรรมก็ทำให้เกิดกิเลสอีกเมื่อมีกิเลสก็เป็นเหตุให้ทำกรรมวนกันต่อไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดที่เรียกว่าวัฏสงสารเป็นการเดินวงกลมไม่อาจถึงที่สุดทางได้คือต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ร่ำไปบทที่7กรรมกรรมคืออะไรโปรดทบทวนความจำสักเล็กน้อยว่า จิตของคนเราสามารถทำงานได้4อย่างคือรับจําคิดรู้จิตทำงาน4อย่างนี้ได้เองโดยไม่ต้องอาศัยวัตถุอุปกรณ์อย่างอื่นเลยแต่งานเหล่านี้ย่อมรู้ได้เฉพาะตัวเท่านั้นไม่ต่อเนื่องกับบุคคลและวัตถุภายนอกถ้าจิตต้องการจะให้ต่อเนื่องกับบุคคลและวัตถุภายนอกจิตก็สั่งให้อวัยวะร่างกายทางานที่ทาด้วยร่างกายนั้น ว่าโดยสรุปมีสองอย่างคือการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างในวงเล็บยกเว้นการพูดอย่างหนึ่งกับการพูดอย่างหนึ่งเป็นอันว่าคนเราคนหนึ่งหนึ่งสามารถทำงานได้3อย่างคือการทำการพูดและการคิดทำพูดคิด3อย่างนี้เรียกว่ากรรมมีชื่อตามประเภทแห่งการกระทา น, น, นั้นคือ 1. ่กายกรรมได้แก่การกระทำทางกาย 2. อ วจีกรรมได้แก่การพูด 3. มโนกรรมได้แก่การคิดทำไมคนเราจึงทำกรรมดีบ้างชั่วบ้างจิตของเราคนหนึ่งหนึ่งย่อมได้รับการอบรมและการเสพคุ้นมามากการอบรมและการเสพคุนนั้นเป็นทางดีก็มีเช่นการศึกษาและการปฏิบัติทางศีลธรรมเป็นทางชั่วก็มีเช่น การสมาคมกับคนชั่วหรือการนำตนเข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีในวงเล็บดูตอนว่าด้วยเหตุเกิดจริตฝ่ายดีทั้งหมดเมื่อเข้าไปปรากฏในจิตแล้วย่อมเรียกว่าธรรมฝ่ายชั่วทั้งหมดเมื่อเข้าไปปรากฏในจิตแล้วรวมเรียกว่าอธรรมธรรมกับอาธรรมเป็นสภาพที่ประจำอยู่ในจิตของสามัญชนทุกคนจะต่างกันก็แต่ว่า ใครมีอย่างไหนมากหรือน้อยคนที่อบรมและเสพคุนมาในทางดีมากก็มีธรรมมากส่วนคนที่อบรมและเสพคุนมาในทางชั่วมากก็มีอาธรรมมากธรรมกับอาธรรมสองอย่างนี้ต่างก็จริงกันเข้าดนจิตทำให้จิตเอเอียงไปตามอำนาจของตนขณะใดธรรมเป็นฝ่ายดนจิตจิตก็มุ่งไปในทางดีขณะใดอาธรรมมีกาลังมากกว่าได้ดนจิต จิตก็มุ่งไปในทางชั่วด้วยเหตุนี้จิตของคนเราจึงถูกหาว่ากลับกลอกคือไม่ตั้งอยู่ในความดีได้ตลอดไปดีแล้วกลับชั่วชั่วแล้วกลับดีถ้าจะเปรียบตัวเราเหมือนอาณาจักรอันหนึ่งจิตก็เปรียบเหมือนพระราชาผู้ครอบครองอาณาจักรนั้นส่วนธรรมกับอธรรมเปรียบเหมือนพรรคการเมืองถ้าพรรคไหนมีเสียงมากก็สามารถถวายความคิดเห็นให้พระราชา ดำเนินการปรกครองไปตามนโยบายของตนเรื่องของธรรมกับอาธรรมนี้ก็ <S <S เหมือนกันทุกครั้งที่มีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งจิตจะต้องตัดสินใจสั่งงานธรรมกับอาธรรมก็จะชิงกันเข้าแทรกแซงดนจิตยกตัวอย่างมีคนคนหนึ่งด่าเราจิตรู้ว่าเขาด่าเราแล้วและกาลังคิดว่าจะทาอย่างไรหนอทำเข้าปลอบจิตว่าช่างเขาเธอ เราเป็นผู้ใหญ่อาธรรมเขาแสกแซงไม่ได้ไม่ได้มันดาเราเราต้องด่ามันธรรมอย่าหน้าจะเป็นเหตุทะเลาะวิวาทกันอาธรรมจะไปกลัวอะไรกับการทะเลาะเล่นงานมันเลยธรรมคิดให้ดีๆเวนย่อมไม่ระ ง, งับเพราะเวนอาธรรมมันดาเรานี่ยิ่งนิ่งมันยิ่งดูถูกไม่ว่ามันเสียมั่ง มันยิ่งกำเริบมันเป็นพ่อเราหรือด่ามันเข้าไปผลที่สุดจิตเชื่อทางอาธรรมตัดสินใจว่าจริงเราต้องด่าแล้วก็สั่งปากให้ด่าโครมโครมออกไปตามตัวอย่างนี้แสดงถึงการแทรกแซงของธรรมกับอาธรรมและคนผู้นี้ได้รับการอบรมเสพคุนมาในทางชั่วมากกว่าทางดีอาธรรมจึงมีอำนาจเสียงแข็งและเป็นฝ่ายได้เปรียบในที่สุด กองทัพธรรมกับกองทัพอาธรรมย่อมรบรากันอยู่ในจิตของคนเราอย่างนี้ในทุกกรณีที่จะต้องตัดสินใจท่านผู้ฟังทั้งหลายการอบรมกับการเสพคุณซึ่งเรากระทำโดยวิธีต่างๆนั้นคือการเพิ่มกำลังให้อำนาจทั้งสองนี้โดยตรงถ้าเราอบรมและเสพคุณในทางดีก็เป็นการเพิ่มกำลังให้ธรรมถ้าเราอบรมและเสพคุนในทางชั่วก็เป็นการเพิ่มกาลังให้อาธรรม ท่านจะสนับสนุนเลี้ยงดูหรือเพิ่มกำลังให้เกียฝ่ายไหนก็เชิญเถิดย่อมเป็นสิทธิ์ของท่านแต่ผลที่ท่านจะได้รับจะต่างกันคือถ้าทํามีกำลังมากทําก็จะชักนำจิตของท่านให้คิดแต่ทางดีให้สั่งกายทําแต่งานที่ดีให้สั่งปากพูดแต่คำที่ดีคิดดีทาดีพูดดี3อย่างนี้เป็นกรรมดีในวงเล็บกุศลกรรม มีความสุขความเจริญเป็นผลนี่แหละที่ว่าพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราพึ่งได้อย่างนี้ถ้าอาธรรมมีกำลังมากอาธรรมย่อมจะฉุดคราจิตของท่านให้ตกไปสู่ความชั่วคือให้คิดในทางชั่วให้สังกายทำความชั่วให้สั่งปากพูดคาชั่วคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วสามอย่างนี้เป็นกรรมชั่วในวงเล็บอกุศลกรรม มีความทุกข์ความเสื่อมเป็นผลถ้าเปรียบเทียบระหว่างธรรมกับอาธรรมธรรมก็เปรียบเหมือนอาหารเหมือนแสงสว่างเหมือนมิตรส่วนอาธรรมเหมือนยาพิษเหมือนความมืดและเหมือนศัตรูกรรมที่ทําแล้วไปอยู่ที่ไหนเพราะข้าที่จิตมีความสามารถรับจำคิดรู้อยู่ในตัวแล้วกรรมที่ผู้ใดทำแล้วจึงถูกบันทึกลงในจิตของผู้นั้น จิตของเขาเองเป็นผู้จำเป็นผู้รู้เป็นผู้สั่งสมไว้เราจะทําจะพูดจะคิดอะไรโดยไม่ให้จิตของตนรู้จะได้ไหมไม่ได้เพราะจิตเป็นผู้ให้ทาให้พูดให้คิดเองอยู่แล้วการทําการพูดการคิดซึ่งรวมเรียกว่ากรรมจึงย่อมเข้าไปรวมอยู่ในจิตของผู้นั้นโปรดเข้าใจว่า ร, รมที่อยู่ในจิตนั้นอยู่ในฐานะเป็นโอชะในวงเล็บข้าพเจ้ายังหาคำอื่นใช้ไม่ได้เหมาะจึงขอใช้คำว่าโอชะไปก่อนไม่ใช่อยู่ทั้งดุนคนฆ่าเขาตายก็ไม่ได้หมายความว่าปืนที่ใช้ยิงและคนที่ถูกฆ่านั้นจะเข้าไปกองอยู่ในจิตก็หาไม่คนทำบุญก็ไม่ได้หมายความว่าเครื่องธยธรรมต่างๆจะเข้าไปกองกันอยู่ในจิต ขปเจ้าได้กล่าวแล้วว่าสิ่งเหล่านั้นเข้าไปอยู่ในจิตในฐานะเป็นโอชะเท่ากับเป็นอรูปธรรมเมื่อท่านเข้าโรงเรียนในห้องเรียนของท่านมีอุปกรณ์อะไรบ้างมีครูกระดานดำกระดาษดินสอหนังสือโต๊ะเก้าอี้และอื่นๆแล้วที่ว่าเรียนได้สอบได้นั้นท่านได้อะไรสิ่งอุปกรณ์เหล่านั้น ได้เข้ามารวมกันอยู่ในจิตของท่านหรือเปล่าที่ไว่าได้ก็คือได้ความรู้ที่ท่านได้ของไม่มีตัวจากสิ่งของมีตัวนี่แหละข้าพเจ้ากล่าวว่าโอชาของสิ่งนั้นได้เข้ามาอยู่ในจิตของท่านคนที่ข้ามน้าข้ามทะเลไปเรียนถึงเมืองนอกกลับมาก็ไม่ได้หอบขนเอาครูอาจารย์หรือเอามหาวิทยาลัยมาด้วยเขานามาแต่โอชาของสิ่งเหล่านั้น เมื่อวันเข้าพรรษาเราไปทำบุญตักบาตรนำของไปถวายพระหลายอย่างแต่ขากลับเราเอาขันเปล่าถาดเปล่าซ้อนๆกันเดินตัวเบากลับบ้านไม่ได้เอาพระเอาโบสถ์วิหารมาด้วยเลยเราได้มาแต่โอชะของสิ่งเหล่านั้นเราเรียกว่าได้บุญนักเรียนก็ดีคนทำบุญก็ดีเขาได้ทำสิ่งที่เป็นวัตถุให้กลายเป็นโอชาทำซับภายนอกให้เป็นซับภายใน ทำของที่เป็นรูปให้เป็นทิฟฟ์ทำของข้างนอกตัวให้เป็นของในตัวทำของไม่ยั่งยืนให้เป็นของยั่งยืนทำของที่ไม่อาจเข้าไปอยู่ในจิตได้ให้เข้าไปอยู่ในจิตได้ทีนี้คนที่ทําบุญก็ทําบาปก็ทําอย่างที่ว่าบุญหา บ, บาปหิ้วกําเหล่านี้จะไม่คละกันหมดหรือก็ตอบว่าไม่คละสิ่งเหล่านี้ย่อมถูกเก็บไว้ในจิต ในฐานะเป็นโอชะที่ไม่คละกันเลยเวลากรรมใดได้ช่องให้ผลกรรมนั้นก็เป็นผู้ให้ผลเหมือนกับเม็ดมะม่วงมันรวมโอชะของต้นมะม่วงทั้งต้นไว้ในเนื้อที่นิดเดียวรากเปลือกกระพี้ใบดอกผลได้รวมเข้าไปอยู่ในเม็ดมะม่วงเ ม, ม็ดเดียวถ้าเราจะผ่าเม็ดมะม่วงนั้นออกดูเราก็ไม่อาจชี้ได้ว่า ตรงนี้เป็นรากตรงนี้เป็นเปลือกตรงนี้เป็นกระพีดูมันเป็นเนื้อเดียวกันไปหมดแต่เมื่อเม็ดมะม่วงได้น้ำได้ปุ๋ยสมส่วนแล้วมันก็จะงอกขึ้นมาเป็นต้นมะม่วงประกอบด้วยรกขาวยวะในวงเล็บส่วนต่างๆของต้นไม้ครบถ้วนบริบูรณ์คือมีรากเปลือกกระพีและอื่นๆครบทุกอย่าง โดยที่สิ่งเหล่านี้ไม่ปะปนกันเลยกรรมที่อยู่ในจิตก็อยู่ในลักษณะคล้ายกันนี้ข้าพเจ้าขอย้าว่ากรรมไม่ใช่ตัวจิตจิตกับกรรมไม่ได้เป็นอันเดียวกันจิตคงเป็นจิตกรรมคงเป็นกรรมแต่ว่ากรรมอยู่ในจิตถ้าเป็นกรรมดีก็ทําให้จิตผ่องใสเหมือนเอาน้ําใสใส่ในหลอดแก้วหลอดแก้วก็ใสถ้ากรรมชั่ว ก็ทําให้จิตเศร้าหมองเหมือนเอาน้าขุนใส่ในหลอดแก้วหลอดแก้วนั้นก็จะขุนไปด้วยผลกรรมว่าโดยประเภทแห่งเจตนาและผลกรรมควงมีสองอย่างคือกรรมที่ทําลงไปด้วยอำนาจธรรมเป็นกุศลคือกรรมดีหนึ่งกรรมที่ทําลงด้วยอำนาจอาธรรมเป็นอกุศลคือกรรมชั่วหนึ่งกรรมสองอย่างนี้อย่างไหนให้ผลอย่างไร ดูเหมือนจะไม่มีใครที่ตอบไม่ได้เพราะคำตอบของปัญหานี้เป็นอุดมคติของพุทธศาสนกชนิอยู่แล้วทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่เป็นคำตอบหวานพืชชนิดใดย่อมได้รับผลชนิดนั้นนี้เป็นข้อเปรียบเทียบข้าพเจ้าจะไม่บรรยายพิสดารในข้อนี้เพราะคำตอบและเหตุผลทั้งปวงท่านผู้ฟังแจ้งแก่ใจอยู่แล้ว แต่จะขอเลยไปพูดถึงประเด็นบางอย่างที่เป็นปัญหาคาใจของคนส่วนมากอยู่ประการแรกคือเรื่องกรรมที่ทําในที่ลับแม้จะได้มีการศึกษาเล่าเรียนกันอยู่ว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วแต่เนื้อแท้ในจิตใจของคนบางพวกก็ยังเชื่อว่ากรรมที่ทําในที่ลับคือไม่มีใครรู้ใครเห็นไม่ให้ผลในข้อนี้ขอได้โปรดเข้าใจว่า จิตของเราเองเป็นผู้จ้องรู้จ้องจำอยู่เสมอไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามแม้คนทั้งโลกไม่มีใครรู้เลยแต่ก็ยังมีผู้หนึ่งรู้คือจิตของเราเองเราจะทำอะไรโดยไม่ให้จิตรู้ย่อมไม่ได้เพราะเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่านัตถิโลเกราโหนามะชื่อว่าทีลับในวงเล็บของผู้ทำบาปก ร, รมไม่มีในโลก โดยในนี้ผู้ทำความดีก็ไม่ต้องน้อยใจว่าความดีที่ตนทํานั้นไม่มีคนรู้คนเห็นจะไม่ได้ผลเพราะจิตของตนเองเป็นผู้รู้เป็นผู้จำอยู่แล้วกรรมดีนั้นจะเข้าไปปรากฏอยู่ในจิตเมื่อได้ช่องได้โอกาสก็ย่อมจะให้ผลเต็มที่เปรียบเหมือนเราอ่านหนังสือถึงเราจะเข้าห้องปิดประตูอ่านอยู่คนเดียว ไม่มีคนรู้คนเห็นเลยความรู้ที่ได้จากหนังสือนั้นก็ไม่สูญไปไหนอยู่ในตัวเรานี่แหละทำตัวเราให้ฉลาดอยู่ทุกขณะครั้นได้โอกาสความรู้นั้นก็จะให้ผลประจับออกมาเช่นในคราวสนทนาตอบโต้ความรู้นั้นก็ช่วยให้เราทำได้ดีนี่เปรียบเทียบให้เห็นว่าความดีที่ทำในที่รับตาคนนั้นไม่ได้สูญไปไหน ฝ่ายผู้ทำความชั่วก็อย่าพึ่งหัวเราะเริงใจเพราะความเข้าใจผิดคิดว่าตนได้ปกปิดมิจฉิแล้วไม่มีใครรู้ใครเห็นจะไม่ต้องรับโทษแห่งกรรมชั่วนั้นเพราะจิตของตนเองเป็นผู้รู้เป็นผู้จำอยู่แล้วจิตของตนเองจะเป็นอายการคอยฟ้องร้องลงโทษขึ้นชื่อวยาพิษถึงเราจะปิดประตูกินคนเดียวหรือไปกินต่อหน้าประชาชน มันก็คงทำอันตรายแก่เราจนได้บางทีการกินต่อหน้าประชาชนจะดีกว่าการกินคนเดียวเสียด้วยซ้ำเพราะอย่างไรเสียคงจะมีคนสงสารนำเราไปส่งโรงพยาบาลบ้างประการที่ 2. ระยะการที่กรรมให้ผลกรรมที่ทําแล้วบางอย่างให้ผลทันตาเห็นคือพอทําเสร็จแล้วก็ได้รับผล เช่นด่าเขาไปได้รับคำด่าตอบมาทันทีชกเขาไปเขาก็ชกกลับมาพยายามแข่งขันกีฬาพอจบเกมได้รับรางวัลอย่างนี้เห็นได้ง่ายไม่มีใครสงสัยเพราะเข้าหลักทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วยังไม่มีใครคัดค้านได้แต่กรรมบางอย่างไม่ให้ผลทันทีเช่นบริจาคเงินทำบุญหลายครั้งแล้วเงียบไม่เห็นได้ผลอะไรเลย ยิ่งนกตกปลามามากแล้วพระว่าบาปแต่เปล่าไม่เห็นมีอะไรร้ายยิ่งกว่านั้นบางคนกำลังทำบุญอยู่ที่วัดทางบ้านถูกไฟไหม้ไปทอดกระถินรถคว่ำหรือเรือล่มคนตายแต่บางคนหากินทางทุจริตช่อโกงเขาซึ่งชาวบ้านก็รู้กันทั่วไปยิ่งร่ำรวยมีตึกอยู่ใหญ่โต มีรถยนต์นั่งหรูหราเรื่องเหล่านี้ทำให้เกิดความงุนงงสงสัยคนที่จิตใจไม่หนักแน่นเลยลงความเห็นเอาว่าการที่พระสอนเรื่องบุญเรื่องบาปเป็นเรื่องเหลวไหลทำดีก็ไม่เห็นได้ดีอะไรคนทำชั่วเสียอีกรวยความเห็นชนิดนี้ยิ่งแผ่ววงกว้างออกไปเท่าไหร่สังคมของมนุษย์ก็ยิ่งเลวลงเท่านั้น ไม่ว่าใครจะมีความคิดความเห็นไปอย่างไรก็ตามคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วก็ยังคงถูกอยู่นั่นเองแต่ว่ากรรมบางอย่างให้ผลช้ากรรมบางอย่างให้ผลเร็วกรรมบางอย่างต้องได้ช่องได้โอกาสจึงจะให้ผลด้วยเหตุนี้คนเราจึงเกิดเข้าใจผิดว่ากรรมไม่ให้ผลบ้างว่ากรรมดีอาจให้ผลชั่วกรรมชั่วอาจได้ผลดีบ้าง ในกเป็นผู้ร้ายค่าคนที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อปีกลายจึงหลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาอยู่ในกรุงเทพแล้วกลับตัวประพฤติเป็นคนดีเข้าวัดเข้าวาถึงวันพระไปรับศีลฝังเทศที่วัดพอออกจากโบสถ์ก็ถูกตำรวจซึ่งตามมาทันจับกลุ่มตัวนำไปฟ้องร้องลงโทษตามตัวอย่างนี้ถ้าชาวกรุงเทพจะพูดว่า นายก็ถูกจับกุ่มลงโทษเพราะการรับสีนฟังเทศหรือในวงเล็บก่อนนายก็ถูกจับกุม่มถ้าชาวจังหวัดอุดรจะพูดว่ากรรมชั่วคือการฆ่าคนของนายก็ไม่เห็นให้ผลอะไรคำพูดของคนทั้งสองพวกนี้ท่านผู้ฟังทราบแล้วไม่ใช่หรือว่าเขาพูดผิดทั้งคู่ชาวจังหวัดอุดรเห็นแต่นายกทำกรรมชั่ว แต่ไม่เห็นตอนที่เขาถูกจับกลุ่มลงโทษก็เห็นไปว่ากรรมชั่วไม่ให้ผลส่วนชาวกรุงเทพไม่เห็นตอนที่นายกอ่อฆ่าคนตายเห็นแต่ตอนเขาถูกจับหลังจากรับสินฟังเทศแล้วก็เห็นไปว่าไม่ควรเลยคนทำความดีแท้ๆกลับถูกลงโทษรวมความว่าเขาเห็นผิดทั้งคู่ที่ถูกนายกอถูกจับกลุมเพราะกรรมชั่วที่ฆ่าคนตาย ส่วนกรรมดีคือการรับศีลฟังเทศยังไม่ให้ผลเพียงแต่เรื่องของบุคคลคนหนึ่งซึ่งเป็นไปในชาติเดียวแท้ๆยังอาจทำให้คนเข้าใจผิดได้เช่นนี้กรรมบางอย่างที่ให้ผลข้ามภพข้ามชาติยิ่งยากที่เราจะสาวหาเหตุผลได้ผลชั้นในผลชั้นนอกในทางปฏิบัติข้าพเจ้าใคร่ขอชักชวนท่านผู้ฟังให้มองผลกรรมสองชั้นคือ ผลชั้นในกับผลชั้นนอกคือกรรที่เราทําทุกอย่างย่อมให้ผลสองชั้นเสมอเราอ่านหนังสือขณะที่อ่านเราก็ได้ความรู้ความรู้นั้นก็ปรุงจิตเราให้ฉลาดขึ้นหายโง่เป็นคนฉลาดอยู่เรื่อยนี่เป็นผลชั้นในผลชั้นในนี้เราเริ่มได้รับตั้งแต่ขณะ ท, ทําทีเดียวคราวนี้อยู่ๆไปเราเกิดมีหน้าที่ต้องสนทนาตอบโต้หรือแสดงปาทักถา หรือสอนเราได้นำความรู้นั้นออกมาใช้ได้เกียรติยศชื่อเสียงโด่งดังมีคนเคารพนับถือมากหรือได้ลาบสการะใดๆนี่เป็นผลชั้นนอกผลชั้นนอกนี้ต้องคอยจังหวะคอยโอกาสจึงจะได้แต่แม้เรายังไม่ได้รับผลชั้นนอกเราก็ได้รับผลชั้นในในวงเล็บคือความฉลาดอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ยังอ่านหนังสืออยู่แล้ว คนกินยาบำรุงกำลังยาทําให้อ้วนพีแข็งแรงปราศจากโรคนี่เป็นผลชั้นในครั้นอยู่ๆไปไปยกของหนักได้หรือไปต่อสู้ชนะได้ลาบยศนี่เป็นผลชั้นนอกผลชั้นใ น, นนั้นย่อมเกิดแก่ผู้กินยาเสมอแต่ผลชั้นนอกต้องรอจังหวะคนทำำํากรรมดีหรือกรรมชั่วก็เหมือนกันคนทํากรรมดี กรรมดีย่อมปรุงจิตของผู้นั้นให้หมดจดสะอาดให้เป็นจิตปลอดโปร่งมีสมรรถภาพที่ดีขึ้นตั้งแต่เขาเริ่มกระ ท, ทําทีเดียวพูดอีกทีหนึ่งคนทำกรรมดีกรรมดีย่อมทำเขาให้เป็นคนดีตั้งแต่กระทํากรรมนั้นอยู่ทีเดียวที่กล่าวนี้เป็นผลชั้นในครั้นอยู่ไปอยู่ไปคนทำกรรมดีนั้นไปได้ลาบยศสรรเสริญสุข เรียกว่ากรรมดีให้ผลชั้นนอกคนทำกรรมชั่วกรรมชั่วก็ให้ผลชั่วตั้งแต่เริ่มกระทำทีเดียวคือทำลายสภาพจิตใจของเขาให้เลวลงให้เป็นจิตมืดมัวให้เป็นจิตหย่อนสมร t ภาพทำตัวเขาให้เป็นคนชั่วคนเสียนี่เป็นผลชั้นในครั้นอยู่ไปอยู่ไปเขาถึงความเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุก ตลอดจนการตกนรกหมกไหม้เหล่านี้ล้วนเป็นผลชั้นนอกทั้งนั้นรวมความว่าคนทำกรรมดีเขาย่อมได้รับผลดีคือทำตัวเขาให้ดีขึ้นตั้งแต่เริ่มกระทำทีเดียวคนทำกรรมชั่วเขาก็ย่อมได้รับผลชั่วคือทำตัวเขาให้เลวลงตั้งแต่เริ่มกระทำเหมือนกันแต่ผลที่กล่าวนี้เป็นผลชั้นในคนมองไม่ค่อยเห็น เพราะมัวไปมองแต่ผลชั้นนอกคือลาบยศสันเสริญสุขเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เท่านั้นเป็นผลของกรรมดีและผลของกรรมชั่วก็เข้าใจว่าได้แก่การถูกลงโทษต่างๆเท่านั้นการมองแต่ผลชั้นนอกย่อมอาจทำให้ความเชื่อกรรมในวงเล็บกรรมาศรัทธาไม่มั่นคงได้และทำให้พูดทำความดีรู้สึกน้อยใจว่าความดีไม่ให้ผล ฝ่ายผู้ทําความชั่วก็เหลิงใจกล้าทําชั่วยิ่งยิ่งขึ้นแต่ถ้าเรามองทั้งผลชั้นในทั้งผลชั้นนอกควบกันไปเราจะรู้สึกว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วอย่างแท้จริงและไม่ต้องรอรับผลกรรมกันเป็นปีๆหรือเป็นชาติๆซึ่งเป็นเรื่องน่าอ่อนใจอายอ1กรรมย่อมให้ผลบานปลายเสมอ คือทำกรรมน้อยแต่ได้รับผลมากปลูกข้าวเม็ดเดียวได้ผลหลาย10เม็ดเรียนหนังสืออยู่5้ถึงหปีแต่ได้รับผลจากความรู้อยู่5 0าสถึงหกปีขโมยของเขาประมาณครึ่งชั่วโมงเสร็จแต่ต้องติดคุกเสีย5้ถึงหปีสิ่งเหล่านี้เห็นกันอยู่ทั่วไปผลของกรรมที่เราทําก็เหมือนกันจะต้องให้ผลบานปลายเสมอทั้งกรรมดีทั้งกรรมชั่ว